บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยแห่งปฏิกูลอภระคือมุวดที่ว่าด้วยการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับจิตให้ยอมรับถึงความจริงแห่งร่างกายที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ถึง32ส่วนว่าเป็นของปฏิกูลนั้นโดยวัตถุประสงค์หลักในการที่ทรงแสดงกรรมฐานข้อนี้ก็คือเพื่อบรรเทาตัณหาจริตที่เป็นไปอย่างแรงกล้าในกายตนก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดความเพลิดเพลินความรุ่มหลงสูญเสียเวลาอยู่ในเรื่องของร่างกาย เพราะใจเกิดไปกำหนดหมายว่าร่างกายนี้มีความสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอาจจะกำหนดเป็นส่วนๆไปหรือกำหนดโดยรูปร่างกายทั้งสิ้นก็ตามเป็นการเพิ่มพูบนบรรดากิเลททั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น การกำหนดพิจารณาความจริงในสูตรนี้ก็เพื่อจะขจัดความเห็นที่เรียกว่าวิปลาสหรือคลาดเคลื่อนจากความจริงข้อแรกได้แก่การมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามดังนั้นเพื่อบรรลุปเป้าหมายในการหาความรู้ความเข้าใจในกายตน ปริยายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงจึงมีอยู่เป็นอเนกรปริยายชั้นของกรรมาฐานที่แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ น, นี้เป็นชั้นของความละเอียดซึ่งก็หมายความว่าคนที่จะมองเห็นได้ตามเป็นจริงอย่างที่ทรงสดแสดงไว้จะต้องเก็บสะสมความรู้เหตุผลในเรื่องเหล่านี้ มาจากภายนอกก่อนพอสมควรแล้วแต่ว่าคำว่าความรู้ความเห็นในความหมายที่พึงประสงค์นั้นบางครั้งก็ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบกันารู้เห็นจริงหรือเปล่าเช่นความรู้ความเห็นว่าร่างกายตนและแม้กายบุคคลอื่นเป็นที่ประชุมแผงซากศพนานาชนิด เป็นของปฏิกูลทั้งโดยสีทั้งโดยสัญฐานทั้งโดยกลิ่นทั้งโดยที่เกิดทั้งโดยที่อยู่และมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ประชุมแห่งกองทุกขหรือเป็นก้อนทุกที่เคลื่อนที่ไปได้เท่านั้นเองการจะถือว่ารู้หรือถือว่าเห็นได้นั้น จิตใจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางบรรเทาราคะความกำหนัดเรือพิชาความเพ่งเลี้งโรคจากได้โลภะความโลภรติความยินดีชั้นทะความพอใจเป็นต้นในกายตนลงได้โดยลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจะไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นหลอนตัวเองว่า สวยบ้างงามแต่ถ้ายังมีความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอยู่ก็ แ, แสดงว่ายังไม่รู้ไม่เห็นเป็นความรู้เห็นเฉพาะในส่วนปริยัติคือตำราตาราที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นเองผลที่พึงได้พึงถึงก็จึงมีอยู่เพียงชั้นเดียวคือชั้นของปริยัติแต่วัตถุประสงค์ในชั้นนี้มุ่งผลในทางปฏิบัติ คือสามารถปล่อยสามารถวางสามารถคลายความยึดความติดในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปได้ดังนั้นจากการพิพจารณากรรมฐานข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมองอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งว่าเป็นการเรียนรู้ถึงความจริงอย่างแท้จริงเท่านั้นไม่ใช่สอนให้บุคคลเกิดรังเกียจขยะขยงในร่างกายตัวเอง จนเกิดชิงชางร่างกายตัวเองมองร่างกายตัวเองเป็นซากศพหรือเอาซากศพมาแขวนเอาไว้แลรู้สึกอึดอัดในกายตนจนถึงกับฆ่าตัวตายไปตนอย่างที่เคยปรากฏแม้ในพุทธกาลนั่นไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความรู้สึกภายในใจเท่านั้นเองในชั้นของการประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังออาใจใส่ในร่างกายยังรักษาความสะอาดยังบำรุงร่างกายยังบำบัดโรคภัยที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายเราะยังไงยังไงร่างกายก็เป็นที่อาศัยในการเรียนรู้ความจริงในการประกอบคุณธรรมความดีด้านต่างๆ่าร่างกายจึงมีลักษณะเหมือนกับยานพาหนะอย่างที่ ส่งอุปมาไว้ในที่ต่างๆบุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอาศัยเขาก็ต้องเอาใจใส่ให้การบำรุงบำบัดรักษาโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นแต่ไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปในเรื่องเหล่านั้นรอให้เกิดกำนัดเพลิดเพลินระื อ, อละลงห ล, ล, ลงอยู่ในเรื่องนั้นๆ การสอนธรรมะในแนวนี้บางครั้งก็ส่งสอนโดยมุมกว้างๆเพื่อมองโลกในมุมกว้างเช่นทรงแสดงว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันสการกดุราชรถที่พวกคนเข่าค้องอยู่แต่พวกผู้ ร, รู้หาค้องอยู่ไม่ซึ่งเป็นการ <c oughs> เป็นการแสดงลักษณะทางจิตใจของบุคคลสองฝ่ายที่มองโลกในจุดเดียวกัน คำโลกนั้นอาจจะหมายถึงโอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินสตัตวโลกโลกคือหมู่สัตและสังขารโลกโลกคือสังขารในที่นี้เน้นไปในด้านสัตวโลกถ้ามองแบบรวบไปเลยถ้ามองแยกก็มองในแง่ของสังขารโลกซึงจะเห็นได้ว่าปัญหาสาคัญอยู่ที่รู้กับไม่รู้ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงและกำหนดความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคล ถ้ากว่ารู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้ น, นก็ไม่คล้องไม่ติดไม่ยึดไม่ถือแต่ถ้ายังไม่รู้ก็คล้องก็ติดก็ยึดก็ถือก็เศร้าโศกก็เพลิดเพลินไปตามสมควรแก่การกำหนดในวัตถุนั้นในขณะนั้นนั้นดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติก็เพื่อต้องการให้รู้ในส่วนของความจริงซึ่งขีดความสามารถในการรู้ก็มีเป็นระดับลดหลั่นกันขึ้นไป แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะอานวยประโยะน์ให้แก่ผู้รู้ผู้เห็นได้ตามสัสดส่วนแห่งการเข้าถึงด้วยความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจในกรณีนี้บางครั้งก็ส่งแสดงโดยสรุปรวบไปที่กายเจาะจงกายที่มีชีวิตอยู่ของบุคคลทั้งหลายเช่นด้รับสั่งสอนภิกษุณีเป็นนั้นมากถึงตามปกติท่านเหล่านั้นก็จะติดในกายตน โดยสงชีให้เห็นว่าแท้ที่จริงร่างกายนี้เป็นที่ประกอบขึ้นของโครงกระดูกสาบทาไว้ด้วยเลือดเนือ้อรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นพุ่มไว้ด้วยหนังเต็มไปด้วยของปฏิกูลด้วยประการต่างๆมีการไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องชำระล้างต้องบำรุงรักษา เป็นที่ตั้งแห่งนิพพัตนาทุกขคือทุกหนึ่งนิดทุกประจัมการเกี่ยวข้องกับร่างกายก็เป็นเรื่องของการบรรเทาแต่นั้นเองมันเทาทุก์ไปแต่ลักษณะไปแต่ลักษณะแต่แท้ที่จริงแกก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาประการร่างกายร่างกายของเราชั้นใดร่างกายคนอื่นก็ชั้นนั้นร่างกายคนอื่นชั้นใดร่างกายของเราก็ชั้นนั้น การที่ทรงสอนใ้มองในมุมกว้างๆอย่างนี้ก็เพื่อจะบรรเทาความกำหนัดเช่นเดียวกันแต่ไม่ถึงกับต้องมานั่งแยกออกเป็นสัต์เป็นส่วนอย่างนั้นเพราะว่าการมองในรูปของสัต์ส่วนเป็นชั้นที่ประณีตขึ้นไปซึ่งเวลาแยกก็แยกได้เวลาเห็นก็มักจะเห็นกันไม่ค่อยได้เพราะอะไรคุ้มพอเอาไว้คือสุภะสัญญา การกาหนดว่าสวยว่างามที่ย้อมใจจนหนาแน่นไปด้วยความรู้สึกชักเล็ดเช่นนั้นถ้าแกยังมีอยู่มากแกก็ไม่ยอมคลายออกไปปัญญาคือความรู้ความเห็นที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกการกาหนดหมายในลักษณะปิดนั้นปิดบงังเอาไว้และการมองในมุมนี้ก็จะเห็นได้ว่า ไม่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของราคาความกำหนัดหรือความยินดีความพอใจแต่ประการเดียวที่มันเกิดขึ้นจะกลายอันเป็นที่ประชุมแห่งซากศพดงกล่าวนั้นมีสิ่งอื่นอีกเป็นนั้นมากอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าร่างกายที่ก่อสร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกโดยนิยี่กล่าวแล้วนั้น เป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นที่ตั้งแห่งมกคะเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าในกรณีของราคะก็คือความกำนัดความยินดีที่ครอบงำใจของบุคคลทั้งหลายแล้วจิตก็จะสายปล่อยในเรื่องเหล่านั้นมากเป็นพิเศษในชีวิตประจำวันถ้ า, าว่าบุคคลมีการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองแล้วก็จะพบว่า พอตื่นขึ้นมาก็ต้องการความสวยงามต้องการความดีต้องการสิ่งดีในเรื่องต่างๆนี้ส่วนหนึ่งเป็นความต้องการของร่างกายแต่มีเปอร์เซ็นต์มากหรือเกินที่เป็นความต้องการทางใจเช่นต้องการเสื้อผ้าสวยๆต้องการอาหารอร่อยต้องการความสะดวกสบายต่างๆเป็นต้น ความต้องการในส่วนที่เกินความจำเป็นของร่างกายก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันของกิเลสตัณหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงความจริงโดยนิยัดดังกล่าวก็บรรเทาความต้องการในส่วนนั้นๆลงไปได้ในส่วนเกินลงไปได้ให้อยู่ด้วยส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องอยู่จะต้องมีจะต้องได้ปา ยางในกรณีของความต้องการปัจจัยสี่ที่ทรงสอนให้พิจารณานั้นก็สอนในรูปของการบรรเทาส่วนเกินที่เกินความจำเป็นไปเช่นในเรื่องอาหารชีวิตก็ต้องอยู่ด้วยอาหารพระพุทธเจ้าเองพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ต้องอยู่ด้วยอาหารแต่ว่าการมองอาหารในมุมของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านั้นมองในแง่ที่ว่าสมเร็จประโยชน์ คือบรรเทาความหิวก่าได้ป้องกันความหิวหมายได้ให้ร่างกายมีกำลังเรียวแรงดำรงอยู่ได้ก็สมเ็จประโยชน์ได้เป็นการเพียงพอแล้วเนื่องจากมองเห็นร่างกายก็เป็นของปฏิกูลสิ่งที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็เป็นของปฏิกูลของปฏิกูลต่อของปฏิกูลเกื้อกูลกันก็พอเป็นไปได้ก็พอแล้วใจก็ไม่เข้าไปบวกในเรื่องเหล่านั้น แต่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้เวลาของชีวิตในแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปก็สามารถใช้ไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นได้ในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ในเรื่องที่อยู่อาศัยก็มองในมุมเดียวกันคือสาเร็จประโยชน์ก็ไมจำเป็นจะต้องสวยต้องงามอะไรเพราถึงแม้จะสวยงามขึ้นมาก็ไม่ใช่เราสวยงามเป็นเสื้อผ้าสวยงาม ที่จริงเสื้อผ้าเอาก็จริงก็ไม่ได้สวยงามอะไรอีกเป็นเรื่องภาพมายาเป็นภาพปรุงตาเป็นการปรุงแต่งขึ้นตามยุคตามสมัยตามแฟชั่นทําความนิยมตามการการกำหนดหมายขึ้นมาเท่านั้นเองเมื่อได้เสื้อผ้าพรเหล่าใดที่ปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้สำเร็จประโยชน์แล้วมีความสะอาดสะอา้านก็ถือว่าเป็นการเพียงพอที่อยู่อาศัยก็มองในทตำนองนั้น จึงจะเห็นว่าการจเจริญกรรมาฐานในสายนี้มีผลย้อนเข้ามาปรับปรุงการดำรงชีวิตของบุคคลในปัจจุบันแทนที่จะหมกมุ่นคือปริมาณของกิเลสถ้าแกลดลงส่วนใดมันก็ชื่อว่าส่วนอื่นลดไปด้วยระดับการดำรงชีวิตจะมีความสับสวนว่าวุ่นเดือดร้อนน้อยลง แล้วบรรดากิเลสเหล่าอื่นเช่นจำพวกมานะถึงความถือตัวว่าดีกว่าเขาเสมอเขาเลิศเลกว่าเขาในแง่มุมต่างๆนั้นโดยสายความรู้รู้สึกนึกคิดในแนวของกรรมฐานสมมติว่ามีมานะว่าเราสวยกว่าเขาเขาประกอบด้วยอะไรเราประกอบด้วยอะไรก็ดยันว่าแท้จริงแล้วสัสดส่วนที่มาประกอบเป็นร่างกายมันก็คือกัน มีหนังคุ้มอยู่ข้างนอกสิ่งที่ปรากฏภายนอกเป็นผมขนและฟันหนังด้วยกันทั้งนั้นเอาการกาหนดว่าสวยว่างามนั้นจึงเป็นเรื่องของสุภาัญญาเป็นการกาหนดเอาด้วยแรงของกิเลสเท่านั้นเองในลักษณะสวมแว่นตาสีหรือถ้ามองกันในแง่ของโลกโลกก็ว่าสัดส่วนการวางของอวัยวะของบุคคลนั้นมีศิละปะมากกว่าเท่านั้นเอง แต่แท้ที่จริงแล้วล้วนแต่ประกอบด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเขาหรือข อ, ของเราก็ตามเอามาหนะ้ความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ลดลดลงไปได้ในส่วนนี้และถ้าหากว่าลดลงไปได้จริงๆบุคคลจะได้รับผลอีกในยะหนึ่นงคือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่านั้นข้อนี้พึงสังเกตในมุมตรงกันข้ามว่า ถ้าเราเกิดมาณนะว่าเราสวยเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองก็ยืนนั้นดีนันขวางอยู่หน้ากระจกได้เป็นเวลาจชัว่วโมงสูญเสียเวลาไปเป็นนั้นมากดูแล้วดูอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแต่ถ้ามีความรู้สึกในด้านนี้ลดลงเวลาที่จะใช้ไปก็ลดลงสามารถที่จะเวลาส่วนเหลือนั้นไปใช้อย่างอื่นได้หรือพวกมัคคะคือการดูหมิ่นคนอื่นก็ทํานองเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้น การดูหมิ่นคนอื่นก็เป็นการสูญเสียเวลาของตัวเองแล้วก็ทำให้สุขภาพจิตของตัวเองเสื่อมลงได้ทงไปจะใช้เวลาของตนที่มาถึงข้าวแทนที่จะใช้ไปเพื่อเพิ่มมักมักขะคือความดูหมิ่นคนอื่นก็จะใช้ไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นได้และบางครั้งบางคราวเราจะพบว่ายังมีความรุนแรงในรูปของอติมานะ ไปสบประมาทไปดูหมิ่นหรือไปตีเสมอคนอื่นเป็นต้นก็เรื่องมากไปแต่จริงแล้วถ้ามองในรูปของว่าร่างกายตัวแล้วแต่ประกอบด้วยผมขนและผนังเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นของใครก็อยู่ในสภาพเดียวกันเริ่มต้นโดยการบรรเทาราคะความกำหนัดแต่เมื่อกิเลสสายนี้ถูกบรรเทากิเลสสายอื่นก็ถูกบรรเทาตามไปและในชั้นของการดํารงชีวิตสามัญธรรมดา บุคคลก็สามารถได้ประโยชน์ที่จะเสริมค่าของชีวิตให้สูงขึ้นได้มองเห็นว่าความงามในส่วนรูปร่างกายนั้นแท้จริงแล้วเป็นความงามที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นความงามที่แท้จริงความงามในชั้นของการดารงชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่านั้นก็คือเรื่องของ ความมีสมบัติผู้ ด, ดีมีกิยามัญญาตเป็นผู้ ด, ดีมีอัธยาศัยที่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่องมายความเคารพนับถือแก่บุคคลทั้งหลายและที่ดีขึ้นไปกว่านั้นก็คือความงามในด้านจิตใจซึ่งทางพระพุทธศาสนายกย่องสรรเสริญแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องสรรเสริญความงามในด้านรูปร่างกาย ถ้าพูดถึงชายงามในโลกแล้วในแง่ของชาวโลกชายที่งามที่สุดในโลกก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่พระพุทธเจ้ากลับแสดงว่าร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกับคนอื่นอย่างที่ทรงแสดงแก่ท่านวัคกลัลิซึ่งคอยติดตามดูพระองค์อยู่ก็มองเห็นเป็นภาพอย่างเดียวกันพอวักกะลิพิขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายแต่าคตรเป็นของเปืนน่อยนา ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราตถาคตคือธรรมกายซึ่งก็หมายความว่าส่วนรู ป, ป ร, ร่างกายของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการอนุพยัญญาแปดสประการพระชนมายุตั้งมากมายแล้วนางมาคันธยาไปเห็นข้าวยังหลงหลายฝ่ายกวันมีคนเป็นนั้นมากที่หลงหลายรูปร่างของพระพุทธเจ้าทั้งผู้หญิงผู้ชาย แต่ส่วนรูปร่างก็คือที่ประชุมแผงซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นเช่นเดียวกับบุคคลหนึ่งแต่คนนิยมยกจ้องสรรเสริญความงามของพระพุทธเจ้าเป็นความงามในด้านพระไทยของพระองค์ที่กรอบด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งกรอบด้วยปัญญาอย่างจริงกรอบด้วยความกรุณาอย่างจริงซึ่งความงามเช่นนั้นก็สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลาย รูปร่างของบุคคลเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญอะไรแต่ถ้าสามารถเสริมสร้างความงามโดยระดับหนึ่งเช่นในด้านกริยามัญญาตคือความเป็นผู้ดีในด้านจิตใจตามรอยบาทโยคนของพระพุทธเจ้าผลประโยชน์จากการดำรงชีวิตก็จะเสริมค่าให้สูงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่มองกันในชั้นทั่วๆไปคือชั้นของโลก ก็เป็นคนประเภทที่เรียกว่าตัวตายก็ชื่ออย่างอยู่ร่างกายที่เปืยหน้าผุพังก็เปืยหน้าผุพังไปปฏิกูลก็ปฏิกูลกันไปแต่อาศัยความปฏิกูลของร่างกายนี้สร้างสิ่งที่ดีขึ้นไปกว่านั้นซึ่งจะเป็นตราประทับไว้กับโลกได้การจเจริญกรรมาฐานเพียงจุดเดียวโดยนิยะดังที่กล่าววันนี้ มีผลที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้หลายชั้นไม่ใช่ว่าจะมองให้จิตเสงบเพียงชั้นเดียวเท่านั้นแต่ถ้าพอเห็นไปจากแก่ใจขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งส่วนอื่นมันก็ลดลงเป็นแถวไปลักษณะาการลดของกิเลสนั้นที่จริงก็เป็นกฎตามธรรมชาติธรรมดานั้นเหมือนกับอะไรกองกิเลสทั้งหลายนั้น ก็เปรียบเหมือนกับ น, น้ำทะเลจะเพราะว่าถ้าน้ำทะเลแกเกิดลดขึ้นมาน้ำในแม่น้ำก็ต้องลดน้ำในคลองต่างๆก็ต้องลดและส่วนอื่นก็ต้องลดตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าส่วนของทะเลแกเกิดหนุนขึ้นมาอย่างอื่นก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเรื่องของกิเลสเรื่องของอารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้น ปัญหาในการประพฤติปฏิบัติการหาความจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในแต่ละจุดนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมะก็พร้อมที่จะเพิ่มธรรมะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็พร้อมที่จะเพิ่มกิเลสกรรมาฐานประเภทกายยากายกตาสติหรือปฏิกูลระประะที่กล่าววันนั้นโดยการหลากหลายธรรมะออกไป ที่จริงแล้วก็มุ่งแสดงแก่บุคคลที่พร้อมจะประพฤติปฏิบัติตามสายนี้แล้วก็เน้นไปที่ภิกษุซึ่งหบวดปาในพระพุทธศาสนาแต่ว่าการกําหนดการมาสิกานหรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติก็ทั่วไปได้แก่คนอื่นแต่าหากว่าพร้อมจะกําหนดระลึกจะพินิจ พ, พ, พิจารณา ถึงแม้จะไม่เต็มตามรูปแบบเอาสีเอาสันฐานเอากลิ่นเอาที่เกิดเอาที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาปนิพิจารณาหรือแยกออกเป็นชิ้นเป็นสัดส่วนก็ตามแต่ถ้าพอสัมผัสกับอะไรผมร่วงขึ้นมาเส้นหนึ่งจิตกรมมนัสิการตามลัะของกรรมฐ า, านมีขนสัตว์หรือขนอะไรก็ตามเส้นหนึ่งก็พิจารณา ตัดเล็บขึ้นมาทีก็พิจารณาหรือว่าถูผิวหนังขึ้นมาทีมีหนังลอกไปมีหนังเสื่อมไปก็พิจารณาให้บูบหนึ่งของอารมณ์บูบหนึ่งของอารมณ์แต่ละขณะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจำวันดูดแล้วคล้ายๆจะไม่เกิดอะไรแต่แท้ที่จริงมันก็เกิดขึ้นอย่างการอ่านหนังสือที่เก็บมาทีละตัวสองตัวนั่นเองสิ่งเหล่านั้นถ้าเรียกว่าบารมี ือเป็นการเก็บการสะสมคุณธรรมความดีไว้ภายในใจตนเมื่อการหนึ่งบา ร, รมีเหล่านี้แก่เพิ่มพูนมากขึ้นได้ปัจจัยที่หนุนมาจากข้างนอกบา ร, รมีก็พร้อมที่จะออกไปรับรู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นพรานการมองโลกของคนทั้งหลายที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน จึงเห็นโลกไม่เหมือนกันตามนยะแห่งพุทธภาธธติตรังกาคือถ้าคนรู้มันก็มองในรูปตามที่ปรากฏวิจิตพิจารณสวยงามทั้งๆ ท, ที่เขาตกแตง่งเป็นการประดับประดาเอาแต่ถ้ามองในมุมนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปรเรื่อยๆนั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับการดูหนงังดูละครดูลิเกที่เขาแสดงเขาปรุงแต่งกันทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเป็นการแสดง แต่เป็นความรู้ที่ไม่จริงเพราะเวลาไปดูเขาจริงใจไปกําหนดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเขา้าใจก็เปลี่ยนไปด้วยตามบทของบุคคลที่แสดงเศร้าโศกแค้นเคืองร้าวร้อนอิจฉาริษยาต้องการจะทําลายก็แล้วแต่บทเขากําหนดก็แสดงกันก็มีการร้องไห้มีการเสียใจมีการเครียดแค้นเกิดขึ้นตามบทบาทที่เขาแสดงทงัทง้งๆนี้ทั้งหมดเราก็รู้ว่าเขาแสดง แต่แล้วก็จริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาแสดงเราคิดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังจนกลายเป็นบางคนก็เป็นเอามากอย่างในเรื่องของแม่ยกนิเกบางกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวกันแต่สำหรับคนที่มีความรู้จริงๆคือรู้นั้นเข้าถึงใจจริงๆก็มองเป็นเพียงศิละปะของการแสดงเท่านั้น แสดงดีหรือไม่ดีแล้ท่านนั้นเองโดยไม่ได้เศร้าโศกเสียใจยคล้อยตามไหวตามกับเรื่องราวที่เขาแสดงนี้เป็นการมองในชั้นหนึ่งในมุมหนึ่งซึ่งจะพบว่าบุคคลประเภทแรกก็มีความร้อนร้อนเปลี่ยนแปลงไปตามแรงของกิเลสแต่คนประเภทหลังก็สงบสงบทา ง, ทางทางที่ภาพซึ่งปรากฏนั้นเป็นภาพเดียวกันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็มองอยู่ในจุดเดียวกัน แต่พื้นฐานทางใจนั้นไม่เหมือนกันจิตตุปบาทคือการเกิดขึ้นของขณะจิตแห่งความคิดในกรณีนี้แม้ชั่ววูบของอารมณ์ดังกล่าวก็ค่อยๆเพาะเชื้อเหล่านี้ขึ้นโดยลำดับวันนี้ขณะนี้อาจจะไม่เห็นความจริงในส่วนนี้แต่เมื่อไปประสบกับทุกขเวทนาเช่นเวลาเจ็บ่า้ได้ป่วยเป็นต้น ในความปฏิกูลของสิ่งเหล่านี้หรือการไหลข้าวไหลออกของสิ่งเหล่านี้บางทีก็คูมอะไรกันไม่ค่ได้พื้นใจที่เคยเก็บเคยสะสมความปฏิกูลของสิ่งเหล่านี้ไว้ภายในใจก็จะออกรับพิจารณาถึงเสมหะถึงน้ำลายถึงน้ำเลือดถึงน้ำเหลืองต่างๆที่แกไหลออกมาจากร่างกายแกก็เข้ามาบวกมาส่งเสริมให้เกิดเห็นตามคล้อยตามมากิ้งกิ้น ตาก็มีปริมาณมากพอใจก็จะมนสิการในอารมณ์ของกรรมฐ า, านอย่างน้อยก็บรรเทาในส่วนของทุกขเวทนาเราสามารถปล่อยวางได้มองเห็นว่าเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาไอ้อสิ่งธรรมดานั้นก็ประสบกันแล้วที่จริงก็ธรรมดาประสบธรรมดาร่างกายก็เป็นเรื่องของธรรมดา สภาวะเหล่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นธรรมดามันก็เป็นไปตามธรรมดาซึ่งก็เป็นกฎตามธรรมดาก็มองเห็นทั้งหมดกลายเป็นธรรมดาไปใจมันก็ปล่อยวางได้มันเทอทุกขเวทนาไปได้ในกรณีนี้จึงต้องอาศัยการเก็บการสะสมบ่อยๆและจากการเก็บการสะสมบ่อยๆนี้ผู้เห็นตัวอย่างที่คือยกเรื่องของพระจุลปันธากะเทระมา จะเริยนกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สงบจำหนังสือก็ไม่ได้แต่พอพระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาผ้าขาวที่สะอาดท่านบริกรรมไปบริกรรมไปพร้อมด้วยมือขยี้ผ้าขาวนั้นผ้าก็เปื้อนโดยลาดับไอบารมีธรรมในอนดีตที่ท่านเคยพิจารณาผ้าขาวที่เปื้อนเพราะไปเช็ดหน้าก็มาผาสมกัน ทังความรู้เห็นในปัจจุบันและความรู้เห็นในอดีตก็มาบวกกันเข้าก็กลายเป็นรูปนามที่เป็นปัจจัยให้ท่านพิจารณาเจริญวิปัสนาได้แล้วก็บรรลุมรรคผลได้ในขณะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำตามรูปแบบเสมอไปก็สสำคัญจึงอยู่ที่จุดของความคิดเวลาประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าคิดได้ตามแนวของกรรมฐานเก็บสะสมไว้บ่อยๆแล้ว ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในระดับต่างๆดังที่ได้กล่าวมาต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป